ท่านสาธุ 27 มิถุนายน 2533 สำหรับวันนี้ เนมเมื่อหลวงพ่อเนียมแนะนํา ถ้าจิตยังหลงนิพพานห้ามประการตัวใดตัวหนึ่งอยู่ก็ยังถือว่าเราเป็น 2 ถ้าจิตยังติดในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ถือว่าเรา 3 ถ้าจิตยังคล้องอยู่ในโยคสังโยชน์ทั้ง 10 ประการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ยังถือว่า จงอย่าคิดว่าเราเป็นคนฉลาดอย่าคิดว่าเราเป็นคนฉลาดท่านสอนแบบ ปัญญาๆซึ่งคนเราจะต้องเห็นว่าคนมีความเกิดแก่เจ็บตายๆนั่นคือนิพพานนิพพานเข้า คนที่จะไปนิพพานได้ต้องๆก็ แต่กรุปเวทนา ก็กราบเรียนให้ท่านทราบตาม และกฎระการที่ 2 ซักซ้อมในการหาเก่งกับเทวดา เพราะฉันได้เคยสอนไปก่อนที่จะสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นก่อนที่เราเห็น เมื่อซาบก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนมาจากสวรรค์นรกหรือมาจากสุคเวทมา พยายามถอยหลังแล้วท่าไทยได้ให้ๆก่อน ญาณต่อไปก็เป็นอนาคตญาณโลหิตการข้างหน้าประเพทหมอดูแต่รู้ตามความเป็นจริง 7 เอ่อปัจจุบันังญาณคือญาณปัจจุบันรู้ ik heb een วันทั้งวันให้คุยกับเทวดานางฟ้าหรือที่นิพพานไปแล้วหรือว่าเทวดานางฟ้าพรหมที่ท่านเป็น ถ้าบ่ไม่พอใจนั่นก็หมายความว่าปฏิปทานั้นมันไม่ดีเป็นโทษที่พอใจก็ บางเวลาแล้วก็ใช้ทิพพสุคญาณแต่ก่อนจะใช้ทิพพสุคญาณ 5 แผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงธรรมจิตเป็นสุขเรื่องพรหมวิหาร 4 นี้ทิ้งไม่ได้ต้องมี 4 ประจําใจอารมณ์ก็เป็นสุขจิตก็มี อย่างนี้ที่คุญญาณแจ่มใสทุก นอกจากนั้นก็จับภาพพระพุทธเจ้า Tazint is zo, maar tamat is zo, en kon Tam kon je paard ontietans onkra. Je tamt van Je kan ik ontam, je kan ik je kan ik ontam, je je ถ้าองค์อื่นมาพูดเป็นอย่างอื่นเราไม่เชื่อถ้าอย่างนี้ มีอังสาสีกะมีสะบงสีกะท่านเป็นคลสีกะและเป็นคลอกสี เมื่อเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาวัน ให้ฟังคําสรรเสริญฟังคําสรรเสริญโดยเฉพาะท่าน การนี้ 5 เราจะไม่ติด เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราห่วงเฉพาะเราตัวเดียวร่างกายไม่น่าห่วงเพราะ <c oughs> Mozart transplanted the 911 call of AirBall Harbor at a time ago, just walked to Rider chancourt and he saw what the sampler do to the PVA when he did the pornography bag she promised no matter what sort of suicide did not learn the subject of coronavirus it was very difficult ความเป็นอยู่ก็เป็นเป็นด้วยความลําบากน้อยกับจริงจริงกับทรายแล้วพม่าก็เป็นชาติ พอคาดถึงเกณฑ์พระบ้านหมอก็หมดเวลาพอดีไม่ใช่หมดเวลาพูดเพิ่มหมดเวลาเดินเวลานั้นประมาณบ่ายสัก 5:00 น. เมื่อ <c oughs> สรรพชนม์เทวดาที่เรียก ใจนึกถึงเทวดาและเจ้าที่ไปที่ ตามนี้คือที่ปฏิบัติตามในปกติหลังจาก พอเห็นพระเข้าก็พากันตักน้ํามาคนละหอบเอา ก็มีชาวบ้านเขาก็ไปคุยกับ คือการเดินไปบรรดาท่านพุทธบริษัทการจริงๆ4ๆมีเทวดามากมาย <c oughs> อย่างพอถึงศรีกกท่านบอกว่า อีดีลาหลายอย่างเวลานั้นอยุติยาของเราเสีย <c oughs> เห็นภาพทั้งหมดเทวดาท่านแสดงแล้วก็เขียนด้วยตามที่เทวดาชั้นจตุราทมหาราชบอกให้ฟังด้วยๆ ตั้งแต่สมัยพุทธพระสมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตั้งแต่สมัย มีปริมาณ <c oughs> <c oughs> ท่านก็นําเดินทางต่อเวลานั้นป่าไม่มีมาก <c oughs> <c oughs> เทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีรักขาอยู่มากก็ยังมีเทวดาจรเข้ามาอีกเทวดาจรเข้ามาก็เห็นหน้ากูจะเป็นพวกเดียวกับเทวดา เข้มแข็งมากแต่ก็มีเทวดาแปลกเข้า <c oughs> แผ่เมตตาไปโทษจักรวาลจิตตั้งอยู่ในภูมิวิหาร 4 แล้ว ฌาน 1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วก็ถอยหลังมา ก็มีสาวสวย 2 คน <c oughs> เธอก็บอก <c oughs> ถ้ารักสิรถถามว่างมาทำไม เธอก็บอกว่าคุณหญิงelltลงก็อยากจะฝ้บผู้ชาย ท่านเป็นผู้ชายไม่อยาก โปรกciplinary engag brake brake brake brake brake brake or brake brake brake เธอบอกว่าตามปกติตามมาical brake brake brake brake brake brake brake brake brake Funke ผู้ชายก็ไม่อยาก Hernandezöl scare brake <oughs> brake brake brake brake brake ส่วนที่อยาก vocke brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake brake วงกว่าALK wontَ ส่วนที่อยากพบ เธอทั้ง 2 คนหันไปยิ้มเข้าหากันแล้วก็แล้วก็พูดกันว่าเราผิดหวังอีกความจริงเราเป็นสาวใหญ่มานานแล้วหาสามีไม่ได้คิดว่าพระท่านอยากจะมีเมีย ต้องเป็นเทวดาที่มีอานุภาพมากไม่ใช่นางฟ้านาง สองท่านที่มาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เทวดาเป็นพรหมท่านแปลงกายเป็นท่านว่ามีความพอใจมั้ยท่านท้าวเวสวัณก็บอกว่า ห่มนั่งสบายก็นั่งเจริญกรรมฐานบ้างเมื่อเมื่อยก็ นอกจากนั้นก็จิตจับภาพพระคือภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นท่านมีสภาพแจ่มใสท่านยิ้มแย้มก็มีความดีใจมี ก็พอดีพอถึงขึ้นมาแล้วก็เอาน้ํา ชาวบ้านประเภทนี้มีข้าวแต่ไม่มี ท่านเต่าอ๋องสมเด็จพระทศพลมาโปรดมาโปรดตามที่ แล้วครับเสร็จปล่อยแล้วก็สั่งให้ <c oughs> <c oughs> comfortably the answer to the question 生活 being możη некрасidth kommt die Ses Gröninggear��ật, ко음gruppen NIO 4th bursting in gaslight of glory Cus Bienigneur Waddu. its imagearrangstjawan und anni because of men like machine the government is still within our queen we need to race a race that we can divide and emanate spirituality เมื่อท่านดับเพียงเท่านี้ท่านก็หายไปเพราะเราก็ติดจับพระนิพพานเวลานั้นจริงๆและความจริงความรู้จริงเรื่องรู้จักนิพพานจริงๆยังไม่มีก็นึกในใจของ นิพพานมีความสวยสดงดงามมาก สัญญาณบอกว่าพอพอเวลาปรากฏแล้วผลผลจงมีแต่สวัสดี